เอาตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเน็กเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเลิกกันนะั้นคณะสัทาญาติโยมลูกลานพวกเราได้ไประชุมเพลิงคุณโยมพี่โยมตาวโยมยายท่านก็ อ, อายุแปดสิบปีตาตามไม่จริงเกินอายุไขนะคณะศัตาญาติโยมทุกวันนี้คนอายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไข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 พยาประสเสนกับพี่น้องประชาชนกรุงสาวัถีแข่งกันทาบุญวันหนึ่งพยาประสเสนทมเอาให้ดีนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์แล้วทาบุญเ อ, เอาบริษัทบริวารทุ่มเทลงวันลงเขึ้นพี่น้องประชาชนชาวเมืองร่วมกันทาบุญ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 ชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาช้างเขาไม่มีกองเรามีช้างเอาช้างมายกฉัดตั้งบรรลังขึ้นมาเอาช้างมายกฉัดช้างทั้งห้าร้อยตัวเนี่ยมายกฉัดเนี่ยจะเก๋ขนาดไหนฮลักษณะอย่างนั้นพญาประเสิทธิ์โอใช่ก็เลยเตรียมช้างไปยกปั ก, กทน์เหมือนกันให้พระขะนั่งชั้นบนธรร ม, มาทิตั้งเป็นองค์เป็นองค์ไปช้างก็หมอบถือปักกัทน กันให้นี่แหละอนนี้ก็คือในช่วงหนึ่งองคุริมานโจนเนี่ยท่านในบวชท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหานเหมือนกันนะองคุริมาลที่ฆ่าคนเยอะๆนะแต่นนี้ก็ท่านก็เป็นองค์สุดท้าย อ, องค์สุดท้ายแต่นี้เป็นพระองค์ที่500ร้เ้นี้ก็ช้างหมดพอดีได้499ตัว แต่มีช้างอยู่ตัวหนึ่งแต่มันดุร้ายมากนีอยู่ในอยู A ่ในอที่ขังเอาไว้ที่ผูกมัดล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาทาไมจึงเอาไว้ช้างตัวนี้พอเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยช้างที่ดุร้ายอย่างเนี้ยเขาจะไอเอาเหล้าให้มันกินซะก่อนพอเอาเหล้าให้มันกินเสร็จแล้วเขามันดื่มสลานเมาได้ทีแล้วปล่อยออกไปเลย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 พญาประสิทธิ์ถามคำไหนก็นจริงครับเพราะพระญาประเสิิ์ได้ทราบมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แนวความคิดของอมามัดอยู่แล้วเนี่ยท่านทําไมคิดอย่างนี้อันนี้เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติตุ่นตระกูลของเราเราไม่ให้ใครเดือดร้อนแม้แต่น่อยเดียวท่านเราก็ให้เงินเดือนบำเหน็จบำนานบำเหนจตลอดทำภรรยาทำคุณงามความดีก็ให้ตลอดอันนี้เป็นสมบัติของเรา ท่านไม่น่าจะมาก้าวไายกับดูถูกกับเรามาเป็นใหญ่ในสมบัติของเรามาคิดปกป้องเรื่องสมบัติของของเราอันนี้เป็นเรื่องของเราแสดงว่าต่อไปจะหืห้อหวงมากกว่านี้นะ่ยไปออกไปนอกประเทศก็เลยไล่ออกนอกประเทศปลดออกจากตําแหน่งอีกต่างหากไล่ออกนอกประเทศไม่ให้อยู่ในประเทศกุกุงโกศสนอีกต่อไปแล้วก็ยกอํามัด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 พญาปเสณโง่โงเนี่ยเราโกหกได้แต่ว่าการกระทําของเราเนี่เราจะโกหกพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าพระหันทสาวกอยู่กรุงสวัสดีเนี่ยวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเนี่ยท่านรู้หมดเลยที่เราทําออกไปเนี่ยเราปิดบางท่านไม่ได้โอ้เรานี่ไม่ดีละจุดนี้ไงแต่นางมาเลกากระคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันในการกระทําของตัวเองเนในการทําความชั่วของตนเอง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 ออย่างพวกเราถวายงานศพอย่างโยมพี่ตาวันนี้แหละอพอถวายเสร็จเรียบร้อยก็ เ, เราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าว่านางมะิกานี่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคงจะไปสวรรค์ชั้นไหนอยากจะไปถามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้อดีตอนาคตว่านางมะเรกาตายแล้วไปตกนรกอ่าไปตกนรกท่าพญาปเสนบอกว่าเอนางมะิกาเนี่ย